หน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้ชาวพุทธไว้ทำกันที่มีอยู่สี่ข้อด้วยกันหน้าที่ของชาวพุทธถ้าอยากจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบต้องทำหน้าที่ทั้งสี่หน้าที่นี้ให้ครบให้ได้เราจะเราจะถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาได้ถ้าไม่ทำหน้าที่ทั้งสี่ประการนี้แล้วประโยชน์สุขอันเลิศของพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นได้อัง น, นั้นถ้าอยากจะได้รับผลประโยชน์ได้รับความสุขจากพระพุทธศาสนา ก็ต้องทำหน้าที่ของชาวพุทธของพุทธศาสนกชนให้ครบให้สมบูรณ์ที่มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งหรือขั้นที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระําคํำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรบ้าง เมื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วว่าต้องทําทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไป mm hmm. ก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติ mm hmm. คือข้อที่สองข้อที่สองหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติ mm hmm. ปฏิบัติก็คือการกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าไม่ศึกษาก่อนแล้วไปปฏิบัติเลยก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูถ้าปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูผลก็จะไม่เกิดขึ้นอันนั้นขั้นที่สองหลังจากได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำมาไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดผลไม่ได้เกิดจากขั้นที่หนึ่งคือขั้นการศึกษาศึกษานี้เป็นการเรียนรู้ ว่าจะต้องทำอะไรบ้างและทำอย่างไรให้ถูกต้องมาศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลถึงจะตามมานี่คือขั้นที่สามปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลผนิพพานปฏิบัติเพื่อให้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงพระ น, นิพพานนี่เป็นขั้นที่สามถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขั้นที่สองนก็จะตามมาการบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะตามขั้นที่สองมาถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าครบถ้วนทุกประการ ถ้ายัางปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทุกประการผลก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมาเมื่อได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วคือพระนิพพานถึงไปทําททหน้าที่ข้อที่สี่ต่อไปหน้าที่ข้อที่สี่ก็คือการเอาธรรมะคาสั่งคำํำสอนที่ได้บรรลุได้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปมีขั้นสุดท้ายคือขั้นการสั่งสอนไม่ควรจะสั่งสอนโดยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุผลนะบางท่านคิดว่าได้ศึกษาได้ร่ำเรียนตำราได้รำเรีย น, ยนหนังสือแล้วเกิดความเข้าใจแล้ว ก็ จ, จะหลงคิดว่าได้บรรลุถึงผลแล้วก็จะอไปสั่งสอนทู่อีกทอดหนึ่ ง, นนงการบรรลุแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการบรรลุอย่างแท้จริงที่เราเรียกว่าเป็นวิปัสสนูบรรลุแบบวิปัสสนูคือบรรลุโดยที่ไม่ได้สัมผัสกับความจริงที่เกิดจากการปฏิบัติ บรรลุเกิดบรรลุเกิดจากความนึกคิดของตนเองหลังจากที่ได้ศึกษาได้อ่านได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจก็คิดว่าความเข้าใจนี้แหละคือการได้บรรลุธรรมแล้วแต่ความจริงยังไม่ได้บรรลุเพราะว่าการจะได้บรรลุนี้นอกจากความเข้า อ, อกเข้าใจในธรรมแล้วสิ่งที่จะต้งองเกิดขึ้นก็คือ การดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆต้องหายไปหมดด้วยถ้ายังมีกิเลสตัณหาเหมือนเดิมยังมีความทุกข์เหมือนเดิมอยู่ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ยังไม่เป็นความรู้ที่แท้จริง จึงไม่ควรที่จะไปเผยแพร่ธรรมะคําสั่งคําสอนจากความรู้ที่เราได้จากความรู้สึกนึกคิดเพราะยังไม่ได้เป็นความรู้สึกเป็นความรู้ที่แท้จริงถ้านำเอาไปสอนผู้อื่นก็จะทําให้ผู้อื่นหลงทางได้สมัยนี้มีพวกที่ศึกษาธรรมะกันแล้วก็คิดว่าตนเองบรรลุแล้วก็ไปสั่งไปสอนผู้อื่น โดยสอนว่าไม่ต้องไปปฏิบัติให้เสียเวลาใช้ปัญญาคือความรู้ที่ได้จากการศึกษาก็พอแล้วไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้เหนื่อยให้ยากให้ลำบากไม่ต้องไปปฏิบัติรักษาศีลแปดไม่ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในป่าในเขาปฏิบัติเพียงแต่ให้อ่านหนังสือให้ฟังเทศฟังธรรม แล้วมีความรู้สึกนึกคิดเข้าใจความหมายของธรรมะที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็ถือว่าได้บรรลุแล้วอันนี้บรรลุทางจินตนาการถ้าเรียกว่าเป็นวิปัสสนูไม่ใช่เป็นวิปัสนาวิปัสสนานี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติ ศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุคือจิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปมีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอได้บรรลุธรรมแล้วเข้าใจหลักธรรมแล้วว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> ความทุกข์เกิดจากความอยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา <c oughs> แต่ความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> เราไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์เช่นร่างกายของคนอื่นเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วย แต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปอย่างอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไม่แก่ น, นั่นเองพอเกิดความแก่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่กับเรา <S <S เป็นของเราไปนานๆไปตลอด ไม่มีการพัดพากจากกันไป <c oughs> อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนจากการปฏิบัติเพราะจะต้องเจอความจริงต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเจอความตายแล้วดูซิว่าใจรู้สึกอย่างไรถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุถ้าไม่ทุกข์กับมันไม่เดือดร้อนมันจะแก่มันจะเก็บมันจะตายก็เฉยๆเหมือนกับ เป็นร่างกายของคนอื่น อ, อ, อย่างนี้ถึงจะบรรลุจริงถ้าเพียงแต่มาอ่านเข้าใจว่า อ, อ๋อร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายกเข้าใจเข้าใจแต่เข้าใจแล้วปล่อยได้หรือเปล่าไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าไม่วิตกกังวลกับมันได้หรือเปล่าอันนี้ ครูปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะไม่จะไม่เห็นชัดเจนว่ายังยึดติดกับร่างกายหรือไม่หรือปล่อยวางร่างกายได้แล้วหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ไปทําข้อสอบข้อสอบเช่นอาการความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็ลองสมมติว่าเรานั่งสมาธิไปนานๆแล้วร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนตอนที่เราเป็นไข้ไม่สบายร่างกายก็เกิดอาการเจ็บไข้ เจ็บปวดขึ้นมาเราทําใจเฉยๆได้หรือเปล่าเราไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าหรือว่าพอเจ็บหน่อยก็ต้องรีบขยับตัวแล้วให้มันหายไปอยากให้มันหายถ้าถ้าเกิดมันไม่หายก็จะทุกข์ทรมานใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะขับจะขยับตัวยังไงมันก็ไม่หายหมันจะหายก็ต้องรอเวลาให้มัน รักษาตัวตนเองหรือรอเวลาให้ยารักษามันให้หายทันถึงจะหายได้เนื่องความเจ็บก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่ากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไหยถ้าต้องเป็นโรคอะเรองนีจะรู้สึกอย่างไรต้องพิสูจน์ดูให้ให้มั่นใจก่อนว่าไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับร่างกาย เวลาร่างกายจะตายรู้สึกเดือดร้อนกับมันไห ม, มไปพิสูจน์ดูไปหาที่มันน่ากลัวอยู่ดูอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ในป่าช้า ม, มีของหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวต่างๆที่อาจจะมาทําร้ายร่างกายของเราได้อ<ม>ดูซิว่าจะยอมให้ร่างกายมันตายไหมหรออยรือยังหวงยังห่วงยังยึดยังเจ ด, ดอยู่กับมันอยู่<ม>ยังต้องรู้จากการปฏิบัติ ถ้ารู้จากการได้ยินได้ฟังธรรมตอนนี้มันยังไม่มีเหตุการณ์จริงมาสร้างความทุกข์สร้างความสะเตือนใจให้นั่นเองยังไม่เห็นความแก่ยังไม่เห็นความเจ็บยังไม่เห็นความตายเพียง <c oughs> แ, แต่ได้ยินได้ฟังธรรมว่าวิธีที่จะทำใจให้ไม่ทุกข์ก็เธอต้องเห็นหน้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> มันต้องเกิดแก่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามันไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆเรียกว่าอยากมีอยากเป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เป็นความอยากไม่มีไม่เป็น ความอยากมีอยากเป็นนะความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเมื่อมีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือก็อยากจะให้ร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรไปเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปไม่สามารถที่จะตอบสนองตันหาความอยาก ของเราได้เราก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกิ่รสโผฏฐัพพะไม่มีความอยากให้ร่างกาย<ม>อยู่อย่างแข็งแรงอยู่ไปนานๆไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอัน<ม>นี้คือการ บรลุต้องบรรลุด้วยการปฏิบัติด้วยการพิสูจน์ต้องทำข้อสอบข้อสอบหลักๆ ก, ก็เนี่ยความแก่เวลาแก่แล้วเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะไปไหนมาไหนก็ไปยากลาบากอาจจะต้องนั่งนรถเข็นเดินไม่ไหวบ้างทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องให้คนนั้นคนนี้ช่วยประยุง <c oughs> <c oughs> เวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยเจอกับความเจ็บปวดทั่วสะพางกาย ใจจะรู้สึกเฉยๆได้หรือเปล่าเวลาที่อาจจะต้องไปเจอความตายเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายใจจะเฉยไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายได้หรือเปล่าต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติด้วยการเจอของจริงเจอข้อสอบดูว่าใจของเรานิ่งเฉยไม่ทุกข์กับไม่เดือดร้อนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรือเปล่า นี่แหละคือการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ดูว่าธรรมะที่เราได้เรียนได้ศึกษามานี้เราสามารถเอามาทําเอามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจเราได้หรือไม่คําสอนของพระเจ้านี้มีเป้าหมายอยู่ที่การดับความทุกข์ของใจทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากกันนี่ <c oughs> เวลาสูญเสียคนที่เรารักงไป เจ้าโศกเสียใจหรือเปล่า mm hmm. การพัางจากกันก็มีหลายวิธีพัดพางเพราะความตายก็มีคนเราตายจากกัน mm hmm. หรือบางทีจากกันยังไม่ตายแยกทางกัน mm hmm. อบไปหาคนใหม่มีมีมีภรรยาคนนี้แต่แอบไปหาภรรยาคนใหม่พอภรรยาคนเก่ารู้เข้าปัญญาแทบช็อกตาย mm hmm. ทำไมต้องชอบตายด้วยก็เพราะยังมีความอยากยังอยากให้เขาอยู่กับเราไปไม่ได้พิจารณาว่าเขาไปแล้วเขาไม่ใช่เป็นของเราแล้วถ้ามีปัญญาก็เฉยๆไม่ทุบใครจะไปก็ไปห้ามเขาไม่ได้เป็นนอนิจจังการอยู่ร่วมกันนี้เป็นของชั่อขา่าวไม่ได้เป็นของเยี่ยงยืนถาวร มันดีคืนดีก็อาจจะจากกันไปได้หลายวิธีด้วยกันจากไปเพราะความตายก็ได้จากไปเพราะนอกใจก็ได้จากไปเพราะอย่ารล้างกันเลิกกัน <c oughs> มีการจากกันอยู่ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็ว <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ว่าใจของเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ถ้ายังหวั่นไหวอ ย, อยู่ ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุธรรมแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วเรารู้แล้วว่าออวิธีนี้ทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ก็แสดงว่าเราหลุดพ้นจากความตายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยการอาการเจ็บปวดต่างๆของร่างกายได้ น, นี่คือการพิสูจน์การปฏิบัติคือการพิสูจน์การศึกษาเพียงแต่การเรียนรู้ยังไม่ได้เอาไปพิสูจน์ว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้นี้เราสามารถเอามาใช้ดับความทุกข์ของใจเราได้หรือไม่ถ้ายังใช้ไม่ได้มันก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ปฏิบัติเอาความรู้ที่ได้เรียนได้ศึกษาทางธรรมนี้ ยังไม่มีกำลังพอต้องไปต้องไปเสริมกำลังของทางด้านจิตใจก่อนทางด้านจิตใจเสริมกำลังด้วยอะไรก็ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธินิ่งทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นอุเบกขาใจจะไม่มีกำลังหยุดความอยากได้เวลาเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้ ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆพอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราไปก็เกิดความทุกข์ใจไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ใจได้ไม่สามารถยับยั้งความอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราไปได้นั่นเองแต่ถ้ามีทั้งปัญญารู้ว่าต้องจากกันแล้วมีทั้งสติมีสมาธิมีอุเบกขา ความนิ่งเฉยพอเกิดจากการพัดพากจากกันก็จะเฉยได้แบบนี่แหละเป็นความรู้ที่แท้จริงต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติต้องมีการปฏิบัติสมาธิควบคู่กับการการศึกษาลรําเรียนความจริงออของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไระความทุกข์ก็เกิดจากความอยากนี่เอง เกิดเวลาไหนก็เกิดเวลาที่แก่ที่เจ็บที่ตายเวลาที่มีการสูญเสียมีเวลาที่มีการพัดพากจากกันอันนี้เป็นขปัญญาที่เรียนรู้รู้ว่าอะไรที่จะทําเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากความอยากไม่พัดพากจากกันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่จะหยุดความอยากนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์ดู เวลาไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งใจจะรู้สึกอย่างไรใจจะเฉยได้หรือเปล่าถ้าใจเฉยไม่ได้ก็ยังถือว่าไม่มีกำลังหยุดความอยากนั่นเองใจยังทุกข์อยู่ต้องมาทำใจให้เฉยด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิถ้าฝึกสตินั่งสมาธิจนใจนิ่งสงบใจวางเฉยได้แล้ว เวลาไปเจอความเวลาไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไปเจอความตายใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะสามารถหยุดความอยากที่ได้เรียนรู้จะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่วาความอยากตัวนี้ละ่ะเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเป็นเรื่องของร่างกายแต่ความทุกข์นี้เป็นเรื่องของใจ ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจเองอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งเฉยได้พอใจจะทุกข์เพราะความอยากก็หยุดความอยากได้ทันทีพอรู้ว่าไม่สามารถไปห้ามความพัดภากจากกันได้ไม่สามารถไปห้ามความเจ็บความตายได้เมื่อมันเจ็บก็ต้อง ไม่ประยุท์มันไม่ได้มันจะตายข้าห้ามมันไม่ได้แต่ห้ามความทุกข์ได้ด้วยการห้ามความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เท่านั้นเงนี่คือการศึกษากับการปฏิบัติมันต้องไปควบคู่กันบางทีเราฟังเทศฟังธรรมศึกษาค่เพียงครั้งเดียวเดี๋ยวเราก็อาจจะลืมได้ฟังวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทางานทาการไปทาธุระอะไรต่าง สิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็อาจจะจางหายไปจากใจของเราพิธีที่จะทำให้มันไม่จางหายจากไปเราก็ต้องคิดถึงมันบ่อยๆพระเจ้าทรงสอนให้เราคิดถึงความแก่ IP, <ม>ความเจ็บความตาย IP, บ่อยๆ<ม>ให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อมีมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดทากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงต้องเตือนไว้ว่าเรานี่คือปัญหาของเรานี่คือกองทุกข์ที่รอเราอยู่เราจะสามารถหยุดความอยากในสิ่งล่นนี้ได้หรือไม่ หยุดไม่แก่หยุดไม่เจ็บหยุดไม่ตายหยุดการไม่พลาดพลา ด, าดจากการได้ไหรือไม่ถ้าเรายังหยุดไม่ได้เราก็ต้องไปปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิให้ใจนิ่งให้สงบเพราะถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากมันก็อยู่ในใจที่คิดนี่พอเราหยุดความคิดใจที่คิดได้ความอยากก็หยุดไป อความอยากหยุดไปความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็หายไป น, นี่แหละคือเรื่องของการศึกษาต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาให้รู้ว่าเราต้องไปทำอะไรปัญญาที่เราเรียนรู้นี่เราก็ต้องเอาไปต่อยอดเวลาเราไปคิดไปพิจารณาอยู่บ่อยๆเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไม่คิดถึงมันทักพักหนึ่งมันก็จะจางหายไปจากใจแล้วเราก็จะลืมเราก็คิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ<ม>พอไปเจอความเจ็บเจอความตายเข้าก็ตกใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอยู่ทุกวันวันละหลายๆลอกมันจะทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจ อ, อนี่คือข้อสอบของเรา<ม>การบ้านของเรา เรามาทำการบ้านได้หรือไม่เรามาฝึกหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้หรือไม่มอันนี้ต้องต้องมีการศึกษาศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ศึกษาคนเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งไปได้ความรู้อะไรมาแล้วต้องเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจของเราไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือที่โรงเรียน กจาโรงเรียนครูก็ให้การบ้านมาทำต่อการบ้านก็คือสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนนี่แหละให้เราเอามาใช้ตอบ ป, ปัญหาแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเวลาที่เราไปทำงานทำการก็รามาทดสอบดูว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากข้องเรียนนี้เรายังจาได้หรือไม่หรือลืมแล้วต้องให้ทำการบ้านอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืม แล้วพอสิ้นปีเขาก็ยังมีการทดสอบขั้นสุดท้ายด้วยการให้ทําข้อสอบอีกข้อสอบคราวนี้เปิดหนังสือดูไม่ได้หาคำตอบในหนังสือไม่ได้เข้าห้องสอบนี้ต้องอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาได้จดจํามามเป็นเป็นเป็นข้อสอบเป็นการตอบข้อสอบ<ม>ถ้าไม่ทําการบ้านไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่จดไม่จําเวลาเข้าห้องสอบก็จะสอบตก เขาจาไม่ได้เขาถามว่าวันเดินปีนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็จะจําไม่ได้เขาตอบคำถามก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเราคอยฝึกคอยคอ ย, คอยทาการบ้านอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่หลงไม่ลืมพอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะสอบได้อย่างสบายความรู้ทางธรรมก็เหมือนกัน ความรู้ทางธรรมนี้เราก็เอามาใช้ดับความทุกข์ใจของเราความทุกข์ใจของเราทุกชนิดนี้เกิดจากความอยากของเราเองต้องอยากได้อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาอยากได้งานไม่สมัครงานแต่ก็ไม่ได้งานใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่อยากได้งานได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี สมัครไปอย่างนั้นเราจะได้ท่ า, านี้ก็จะไม่ทุกข์อยู่ที่ความอยากของเราที่จะทำให้เราทุกข์อยากให้แฟนของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่เป็นอะไรไปพอแฟนเราเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือตายขึ้นมาเราก็ทุกข์หรือเขานอกใจเราเขาไปมีใหม่เขาขออย่าขอเลิกกับเรา ถ้าเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่เป็นของเราอยู่เราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราสอนทำสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเขาเป็นของไม่แน่นอนเขาเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเขาอาจจะอยู่กับเราวันนี้แต่พรุ่งนี้เขาอาจจะจากเราไปก็ได้การจากกันก็มีหลายเหตุด้วยกันจากเพราะความตายก็ได้จากเพราะความนอกใจก็ได้ เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจคอยเตือนใจอยู่เรียกว่าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอ น, นวันดีเกินดีเขาก็อาจจะไปจากเราด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแต่ถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงนะเขาจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะต้องจากเราไปนะ แล้วถ้าเราคิดถึงมันว่าถึงว่าเวลาจากกานันนี้เรายังยังทุกข์อยู่เราเรายังรับไม่ได้อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากความอยากที่จะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เขาไม่อยู่แล้วจะทำยังไงก็ทุกข์ใจไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากนี้ถ้าใจไม่มีกำลังหยุดก็ต้องไปฝึกส ต, ตินั่งสมาธิ พ อ, อเข้าสมาธิเข้าฌานได้ออ ก, ก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปนี่แหละคื อ, อกกเรื่องของการปฏิบัติธรรมก่อนที่จะไปปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเราต้องไปปฏิบัติอะไรต้องไปทําอะไรบ้างเราถึงจะหยุดความอยากหยุดความทุกข์ได้เราก็ต้องไป ไปปฏิบัติไปเจริญสตินั่งสมาธิเองเพื่อไปให้จิตเข้าฌานเข้าสมาธิให้ได้เพราะถ้าจิตเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้แล้วจิตจะมีพลังที่จะหยุดความอยากได้พอศึกษาพอพิจารณาด้วยปัญญาว่าความทุกข์ของเราตอนนี้เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากนั้นใช้ไฟเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากไม่เอาก็ได้ อยากได้แล้วไม่ได้ไม่เอาก็ได้พอเปลี่ยนใจเท่านั้นหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่ได้อันนี้ต้องศึกษาดูว่าใจของเราตอนนี้หยุดความอยากได้หรือยังความอยากตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแลวความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกิมาจากความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เอง ความอยากที่จะหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองก็ต้องมีร่างกายใจผู้เสบนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาพ่อแม่สร้างร่างกายขึ้นมา ดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายก็มาเกาะปั๊บเลยพอเกาะก็เกิดปฏิสนธิขึ้นมาทันทีแล้วดวงวิญญาณก็เกาะร่างกายนี้ไปตั้งตั้งแต่อยู่ในท้องพอออกจากท้องมาก็เกาะติดไปไเรื่อยๆรอให้เวลาที่ร่างกายจเจริญเติบโตมีความสามารถที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้ก็สั่งให้ร่างกายนี้ไปหา รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสรทันที uh huh. ก็ใส่ไปเรื่อยๆแต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเสรเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอ uh huh. มันเป็นเหมือนควันไฟเว uh huh. ลาได้มาใหม่ๆมันก็ปรากฏใช้เห็นพับหนึ่งเดี๋ยวมันก็จางหายไป uh huh. ควันไฟนี้ต่อให้ลองติดไฟดูเสยติดทำควันดู uh huh. ทําไปเท่าไหร่ เดี๋ยวควัมที่ทำเสร็จมันก็จะจางหายไปในอากาศความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกินรสก็เหมือนกันเวลาได้เสพ ร, รูปเสียงกินรสใจก็เกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวแล้วความสุขนั้นก็ค่อยๆจางหายไปเช่นช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเสพความสุขจากรูปเสียงกินรสต่าง ๆ, ๆกันมีความสนุกสนานเฮฮากันมีความสุขกัน แต่พอมาถึงวันนี้ความสุขเหล่านั้นหายไปไหนแนละ้วจางหายไปหมดแนละ้วทําให้ใจหิวอีกหิวกับทําให้ใจมีความอยากขึ้นมาอีกอยากเสพก็ตอนนี้ก็มองไปดูข้างหน้ามันมีวันหยุดยาวเมื่อไหร่จะได้ไปเสพต่อไปเที่ยวต่อตอนนี้ก็เตรียมทํางานหางเงินหาทองไว้ก่อนเพราะเวลาจะไปเที่ยวก็ต้องมีเงินมีทองไว้ใช้ถึงจะเที่ยวได้ถึงจะเสพได้ สำหรับคนที่มีเงินเยอะเมื่อความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวปีใหม่หมดแล้วก็หาความสุขต่อไปใหม่ในรูปแบบอื่นก็ได้อาจจะไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อลถใหม่ซื้อคอนโดใหม่รู้สุดแล้วแต่กำลังซื้อจะมีอะไรอันนี้ก็เป็นการเสพการทั้งนั้นเสพรูปเสียงกิล่ลก็ต้องมีร่างกายถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาต้องเข้าโรงพยาบาล การที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องชะ ง, งักไปทันทีเนี่ยถ้าตาบใดถ้าเรายังมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็จะต้องพึ่งร่างกายจะต้องมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุบกับร่างกายเพราะร่างกายมันก็เป็นของที่มันดูแลตัวมันเองไม่ได้ร่างกายมันกินเองไม่ได้มัน ดูเลี้ยงดูตัวมันเองไม่ได้มันทำได้ก็เพียงแต่หายใจเองท่นั้นเองแต่นอกจากนั้นแล้วมันต้องต้องสอนต้องหามาให้มันต้องหาอาหารมาให้มันหาเสื้อผ้ามาให้มันหาที่อยู่อาศัยหายารักษาะโรคเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเวลาถ้าไม่มีกําลังซื้อหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายร่างกายมันก็ต้องพิกลพิการหรือ ถึงแก่ความตายไปได้การมีน่างกายก็เลยกลายเป็นกลายเป็นภาระไปไปเหมือนกันต้องเลี้ยงดูเขาเหมือนก็เลี้ยงดูลูกคนที่ไม่มีลูกนี้สบายไม่ต้องมากังวลกับการเลี้ยงดูลูกแต่คนที่มีลูกนี้ต้องมีภาระละต้องหาเงินหาทางมาคอยเลี้ยงดูลูกให้ลูกได้มีอ ย, อยู่กินไปไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิพการไม่ตายไป ดูแลร่างกายแล้วยังไม่พอต้องดูแลจิตใจต้องสมไปโรงเรียนอีกให้มันเรียนหาความวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้นี้เป็นมามาเป็นเครื่องมือทรมาหากินต่อไปก่อนจะเลี้ยงลูกคนหนึ่งโตให้มันจบเรียนจบแล้วพึ่งตัวมันเองได้นี่ก็ใช้เวลา20กว่าปีด้วยกันหมดเงิน บ, บทหมดเงินทองไปสักเท่าไหร่ คนที่ไม่มีลูกก็สบายเก็บเงินทองไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แต่คนที่มีลูกก็ต้องเอาเงินทองต้องดิ้นรนหานเงินทองมาเลี้ยงดูลูกอย่างนี้เรียกว่าเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันนะการที่มีลูกแล้วบางคนลูกบางคนอายุยี่สิบกว่าโตแล้วเรียนจบแล้วก็ยังไม่ไปทำอาหากินเองก็ได้เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูต่อไปให้เงินใช้ต่อไปไม่ต้องทํางานก็ได้ไม่อยากให้ลูกลำบาก พ่อแม่มีรวยพ่อแม่มีเงินทองก็ไม่ต้องไปก็เาต้องเลี้ยงไปมันไปจนกว่าจะถึงวันตายจากกันนะ <c oughs> แล้วเวลาเราตายจากกันถ้ามันถ้าลูกทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเองไม่ได้ต่อไปเขาก็จะลำบากเงินทองที่เราทิ้งไว้ให้เขาก็อาจจะไม่พอใช้ก็ได้วันใดวันหนึ่งถ้าเขาไม่รู้จักหาเงินของเขาเองเดี๋ยวเงินทองที่มีอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องหายไปหมด แล้วในที่สุดเขาก็ต้องทุกเหลือดร้อนขึ้นมาจนได้แต่ถ้าเราสอนให้เขาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองพอเขาโตแล้วก็ให้เขาไปหาเองเงินทองอย่าไปให้เขายกเว้นกรณีฉุกเฉินกรณีที่มีมีความจำเป็นจริงๆเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือเ ก, กิดอะไรต่างๆขึ้นมาที่ต้องช่วยเหลือกันเป็นกรณีพิเศษก็ค่อยช่วยเหลือไปแต่ถ้าเป็นปกติ เขาควรจะรู้จักทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเขาเหมือนกับเราที่พ่อแม่เลี้ยงให้เรามาทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเองได้เราก็ต้องให้เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาเองได้ไม่ใช่ไปเลี้ยงเขาเหมือนกับเขาเป็นทารกอายุจะตายใกล้จะตายแล้วยังต้องเลี้ยงดูเขาอยู่อ <c oughs> นี่คือการมีความอยากความอยากนี่แหละที่ทําให้เรารักและหวงร่างกาย ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ทำให้เรารักและห่วงร่างกายห่วงร่างกายทำให้เราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย mm hmm. แล้วก็ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละที่เป็นตัวที่ทำให้ดวงวิญญาณเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเ mm hmm. พราะเราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. พอร่างกายเก่าตายไป ดวงวิญญาณของเราก็ไปหาร่างกายอันใหมแ่แต่ก่อนที่จะหาร่างกายอันใหม่ได้ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปให้ไปรับผลบาปในอบายในนรกถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปให้ไป สวรรค์ไปเสพความสุขจากบุญที่ได้ทำเอาไว้พอบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้มันอ่อนกําลังลงมีกําลังเท่ากันบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ช่วงนั้นก็จะไปช่วงที่จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ม า, มาเสพรูปเสียงกิ่นรสผดท่าใหม่แล้วก็มาทุกกับร่างกายใหม่อีกรอบ ก็ได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูมันแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายเวลาที่สูญเสียสิ่งที่รักไป น, นี่ปัญหาทั้งหมดนี้ก็พระวจาสองคนพบว่าความความทุกข์ของใจปัญหาของปัญหาของใจคือความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี่ แล้วรูปเสียงกิ่นรสนี้ต่อให้เสพได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเหมือนกับเทเทเทของทิ้งลงไปในเหวนะเทไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกิน่นรสมันก็ไม่เคยเต็มอยู่ในหัวใจไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับควันไฟนั่นเอง ได้มาเสพเวลาได้มาก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปพอจางหายไปความอยากเสพก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปเสพใหม่เสพกี่โหนก็เหมือนกันเจ็บแล้วเดี๋ยวก็หายไปไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ไปจนกว่าร่างกายจะไม่สามารถทําหน้าที่ได้ก็รอวันรอวันที่ร่างกายมันตายแล้วจะได้แยกทางกันไป โยงวิญญาณเข้าไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็ไปรับร่างกายใหม่แล้วก็กลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่อไปใหม่กับร่างกายอันใหม่ต่อไปทําอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านรอบแล้วพรุทธเจ้าบอกการเวียนว่ายตายเกิดนี่เกิดจากความอยากเสพกามนี่เองเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาชนิดต่างๆในรูปแบบต่างๆ ดูหนังฟังเพลงเลยไปเที่ยวสถานบันเทิงเลยไปเที่ยวสถานตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปร่วมหลับนอนกับแฟนกับใครก็ตามอันนี้เป็นการเสพ ร, รูปเสียงกิ่นรสทั้งนั้นถ้ายังเสพสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะต้องกลับมาปีนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆในเวลาเจอกับร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็จะทุกขขึ้นมาเพราะจะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเอง พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องมาหยุดเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกิน่นรสแทนที่อยากจะเสพ ร, รูปเสียงกินรสให้มาสให้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบกันการทําใจให้สงบจะได้ความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะให้ความอิ่มความพอกับใจแล้วจะทําให้ใจไม่ต้องไป ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ใจนี้จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติก็คือมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันถ้ายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ เราก็เพียงแต่ใช้สติใช้ปัญญาเท่านั้นเองสติจะทําใจให้สงบเป็นชั่วคราวเป็นพักๆไปปัญญาจะทาใจให้สงบอย่างถาวรท่านต้นก็ใช้สติก่อนเพราะการที่จะทําทใจให้สงบง่ายก็คือต้องทําด้วยสติก่อนการจะทําทใจให้สงบด้วยปัญญานี้ต้องมีสติต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานก่อนถึงจะทาได้ ใจยังไม่สงบนี้ยังไม่สามารถใช้ปัญญาทําใจให้สงบอย่างถาวรได้<ม>ต้องรอให้มีความสงบแบบชั่วคราวเกิดขึ้นมาก่อนด้วยสติคือการเข้าสมาธิ<ม>การเข้าสมาธินี้เป็นการเข้าเข้าหาความสงบแบบชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้อย่างตลอดไปเข้<ม>าสมาธิได้ครึ่งชั่วโมงก็ต้องออกมาแนละ้ว บางคนเก่งก็เข้าได้ถึงเดือนออถึงอาทิตย์หนึ่งก็มีสิบห้าวันก็มีพวกฤาษีชีพายที่เขาอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยเขาฝึกสติไว้มากเวลาเขาจะเข้าฌานนี<ม>่แต่ละครั้งเขาเข้าได้เป็นเป็นวันเป็นอาทิตย์เลยก็มีมแต่ก็ต้องออกมาอยู่ดีเพราะต้องมาดูแลร่างกาย<ม>ร่างกายต้องมีการเตริมอาหารมีการอะไรมีการขับถ่าย อยู่ในสมาธิไปตลอดไม่ได้นอกจากเวลาร่างกายตายไปเท่านั้นทุงที่เข้าสมาธิได้ก็จะไปเกิดในพรหมโลกแทนไม่ไม่ไม่มาเกิดในภพของมนุษย์แต่แต่พอละพอสมาธิที่ส่งให้ไปเกิดในพรหมโลกเสื่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าต้องมาเป็นมนุษย์เพื่อมาฝึกสติมานั่ง ส, สมาธิใหม่นั่นเอง แต่ตอนที่มีสมาธิอยู่แล้วเรตายไปตอนนั้นยังไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะกำลังสมาธิสามารถส่งให้ใจไปอยู่ในพรมโลกได้ส่งด ว, ดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในพรมโลกได้แต่กำลังของสมาธิก็จะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงแล้วในที่สุดมันก็หมดไปพอหมดไปความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆอยากมีร่างกายมันก็ยังมีอยู่ในใจมันก็จะ ดึงให้ใจกลับมาเกิดใหม่แต่เวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเพราะจะกลับมาหาความสุขมามามาฝึกสติมานั่งสมาธิเพราะเคยเคยได้รับความสุขจากการฝึกสตินั่งสมาธิว่าเห็นมีคุณค่ากว่าการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสถึงแม้ว่ายังจะมีความอยากอยู่ก็าตามแต่ความอยากนี้มัน อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมีกําลังน้อยกว่าความอยากที่จะเสพความสงบก็จะไปเสพความสงบแทนตายไปก็ไปพอมโลกพอสมาธิหมดแรงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกสติเพียงแต่ทําบุญทําทานทําบุญมากกว่าบาปตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ อาบุญที่ส่งไปหมดกําลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนคนที่ทําบาปมากกว่าบุญตายไปก็ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เนราฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างพอบาปที่ส่งไปให้ไปอยู่ในอบายหมดกําลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาทําในสิ่งที่ชอบเหมือนเดิมถ้าชอบทําบาปก็จะกลับมา ทำบาปถ้าชอบเสกกรรมแล้วทําบาปด้วยการทําบาปก็จะเสกกามด้วยการทําบาปเช่นไปรักเงินไปขโมยเงินเขาเพื่อที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นต้นส่วนพวกที่เคยชอบทําบุญเวลามีเงินทางเหลือใช้ก็เอาเงินทางไปทําบุญส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สำหรับการเสกกรมเสกรูปเสียงกลิ่นรถอีกส่วนนึงก็แบ่งไปทําบุญ พวกนี้เขาจะกลับมาทำเหมือนที่เคยทำเสพการมด้วยทำบุญด้วยพอตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเสพมาทำบุญมาเสพการมใหม่รอบส่วนพวกที่เคยฝึกสตินั่งสมาธิเข้าฌานได้ mm hmm. เวลากลับมาจากสวรรค์ชั้นพรมก็จะกลับมาฝึกสมาธิใหม่นั่งสมาบางเป็นนักบวชใหม่มารักษาศีลของนักบวชใหม่มาปฏิบัติ mm hmm. ก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดทะลุวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็วิธีกําจัดความอยากต่างๆต้องมากําจัดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากจะเสพฌานสมาธิเมืม่อตัดความอยากเหล่านี้ได้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีอะไรมาฉุดให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไป ไม่มีอะไรมาฉุดให้ใจไปเกิดในพร ม, มโลกอีกต่อไปใจก็จะไปอยู่ที่นิพพานที่ไม่มีความอยากที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นก่อนว่าเราคือใครแล้วเรามาทำไมกันอะไรเป็นตัวที่พาให้เรามากันมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรเหตุที่พาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ความอยากปัญหาความอยากของเรา อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญนะก็เลยพาให้เราต้องมีต้องมีร่างกายกันพอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุกกับการมีร่างกายทุกข์ตั้งแต่เกิดไปจนถึงเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บแล้วเวลาที่มันตายแล้วตายแล้วยังก็ยังไม่ไม่จบตายแล้วก็ยังกลับมาเกิดใหม่อีกหลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไป ถ้าเราอยากที่จะไม่เกิดไม่ไม่ต้องการที่จะไป อ, ะอยู่ในอบายแล้วก็อยา่าไปทําบาปทําบาปให้น้อยกว่าทําบุญถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้อย่างน้อยเวลากลับมาเกิดก็จะได้ไม่มาเกิดไม่ไม่ไม่ไปเกิดในทุกขติไปเกิดในในสวรรค์เวลาตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์เวลากลับจากสวรรค์มาก็จะมาทําบุญทําทานรักษาศีลมาเสพกางไป ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถพัฒนาการปฏิบัติของเราเมื่อเราเห็นว่าการเสพการนี้มันเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทำใจให้ทุกข์ได้ก็ลองมาหาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบก็ลองไปอยู่วัดบ้างไปซื้อสินแปดในวันพระกันถึงสินแปดไปฝึกส ต, ติไปนั่งสมาธิ แทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มเช่นวันนี้คนที่เขาเสกกลางเขาก็จะไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันเป็นความสุขแบบควันไฟแล้วต้องมีร่างกายต้องมีเงินมีทองต้องลินลนหาเงินหาทองมาตอบสนองตัดหาความอยากแต่ถ้าเราสามารถไปอยู่วัดได้ไปไปเจริญสตินั่งสมาธิได้เราก็เราก็จะตัดการพึ่งพาสายร่างกายตัดการพึ่งพาสายเงินทอง เงินทองที่เราเคยใช้มากก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะการไปฝึกสตินั่งสมาธินี้ไม่ต้องใช้เงินทองนอกจากไปช่วยทําบุญวัดจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองทางวัดก็ไม่ได้หวังผลกําไรอะไรก็เพียงแต่ให้มีที่อยู่ต่อไปได้ญาติโยมที่ไปอยู่วัดก็ต้องช่วยกันบำนทํานุบํารุงไปตามตามกําลังถ้าไม่มีก็ช่วยกันต่อไปก็ไม่มีที่พักอาศัย เพราะถ้าไม่มีเงินมาซ่อมแซมที่ภาคกระแสก็ต้องผังไปไม่เช่นนั้นก็ต้องรอคนใจบุญที่ก็มีกําลังที่จะมาช่วยซ่อมหรือมาช่วยสร้างใหม่ให้ใก็มีค่าใช้จ่ายเท่านี้เองคือเงินทําบุญตามกําลังมีมากถ้ามีเงินไปเที่ยวได้ทำไมจะมาวัดไม่มีเงินมาทําบุญแล้วก็เาเงินที่ไปเที่ยวเนี่ยมามาเป็นเงินทําบุญแทนท่านเรียกว่าให้ทําทานเนี่ย การเอาเงินไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมความอยากส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดให้มีกำลังมากขึ้นการเอาเงินมาทาบุญนี้เป็นการตัดความอยากต่างๆให้น้อยลงลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลง<ม>ยงั้นการทาบุญทาทานนี่มีคุณมีประโยชน์กับเรากับจิตใจของเราช่วยตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปช่วยลดความทุกข์ใจลดความอยากให้น้อยลงไป<ม>แล้วเวลาที่เรา มาทำใจให้สงบเราก็จะได้ลดความความพึ่งพาอาศัยร่างกายให้น้อยลงไปเช่นวันเสาเรา์ววันนี้เรามาอยู่วัดเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรเราเพียงแต่มานั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญสติทําใจให้นิ่งใจ ส, สงบ<ม>เวลาใจนิ่งใจสงบได้เมื่อไหร่จะเจอกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรส นี่คือขั้นแรกของเราขั้นที่สองของเราขั้นแรกก็คือเราเราอย่าไปทำบาปปิดประตูอบายถึงแม้เรายังจะต้องการต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็หาเงินหาทองมาเสพด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ไปทำบาปทำกรรมกับใครหรือจะไปทำอะไรหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเขาอันนี้มีการทาสร้างความทุกข์ให้กับสามีภรรยา แต่ลาภรรยาหรือสามีรู้ว่าคู่ของตนนอกใจนี้มันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเขาเป็นอย่างมากแล้วความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็วคนง่อยก็จะประนามเราคนข้องก็จะดูเกลียดเราลังเกียดเราแล้วเราก็จะเป็นคนที่อไม่มีใครเข้าเชื่อถือเป็นคนที่ไม่มีศีลดังนั้นอย่าไปทําบาป แล้วตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปอาบายทําแต่บุญถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทําบุญยาวไปเที่ยวอยาวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปทําบุญถ้ามีเวลาไปวัดก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราต้องเริ่มต้นชักเวลาใดเวลาหนึง่งถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็ยังจะติดอยู่กับการเสพร่างกายเสเพลิ้วเสียงกลิ่นลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่อยากจะเราอยากจะเลิกเสษเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเริ่มฝึกสติเริ่มฝึกนั่งสมาธิตอนต้นนอจะทําอยู่ที่บ้านก่อนก็ได้วันละเล็กวันน้อยวันละครึ่งชงั่วโมงวันละยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วแต่กําลังของเราแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆวิธีที่จะฝึกสตินั่งสมาธิก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมอย่างตอนนี้ เวลานั่งฟังเทศฟังธรรมใจเราก็ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็จะไม่เกิดเราจะทําให้ใจเรานิ่งเบาเย็นสบายหลังจากฟังเทศสเสร็จแล้วก็จะนั่งพุโทโธพุโทโธต่อไปได้หรือดูลมหายใจต่อไปได้เพื่อใใจสงบมากยิ่งขึ้นให้มันลงเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ต่อไปเราก็จะเก่งเราสามารถนั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องฟังธรรมก็ได้แต่ตอนต้นถ้าใจเรายังวอกแวกอยู่ใจเรายังดิ้นไปดิ้นมาอยู่เราใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นตัวยึดเหนี่ยวไว้ก่อนก็ได้<ภ>แล้วต่อไปเวลามันไม่วอกแวกมันไม่ดิ้นหลนแล้วเราไม่ต้องใช้การฟังธรรมก็ได้<ภ>เพียงแต่นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจก็สงบได้หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้สองอย่างควบคู่กันบางคนคิดว่าต้องใช้พูดเข้าโทรออกไม่จําเป็นถ้าเราจะดูลมอย่างเดียวก็ดูเฉยๆไปดูที่ปลายจมูกหรือว่าลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวไม่ต้องไปปรับปรุงลมไม่ต้องไปควบคุมลมไม่ต้องไปเปลี่ยนลมไม่ต้องไปสั่งให้มันหายใจนึกหายใจยาวปล่อยมันหายใจไปตามธรรมชาติของมันการภาวนานี้เพียงแต่ใช้ลมหายใจเป็นที่ผูกใจ ไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองไม่ให้ใจทําอะไรถ้าไปบังคับลมนี้ใจยังต้องทํางานอยู่ใจต้องเป็นคนผู้คอยคอยควบคุมลมไปสั่งลมอยู่งั้นอย่าไปสั่งลมให้ทําอะไรให้ดูเฉยเฉยถ้าเราอยากจะให้ใจนิ่งสงบเข้าสมาธิได้ใจต้องไม่ทําอะไรใจต้องรู้เฉยเฉยเท่านั้นเองรู้ลมเฉยเฉยรู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกถ้ามันหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวมันหายใจสั้นก็รู้หายใจสั้นเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันอยู่กับพลมได้อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวมันก็เข้าสู่สมาธิได้มันก็จะหยุดหยุดหยุดคิดหยุดปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางร่างกายบางทีร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกลมก็หายไปตอนนั้นก็ไม่ต้องไปควานหาลมเมื่อใจสงบนิ่งเจอกับอยู่กับความว่างได้แล้วก็จบ พยายามรักษาด้วยสติให้มันอยู่ไปนานๆตอนนั้นอย่าเอาเอาใจมาคิดทางปัญญาปัญญายังไม่ใช่เวลาที่อยาใช้ใน ต, ตอนนี้ตอนนี้เราต้องการฝึกจิตให้นิ่งนานๆก็จะได้มีกําลังอุเบกขานานๆเวลาที่เราออกมาเจอความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเราก็จะได้ใช้ความนิ่งเฉยของใจนี้มาห้ามความอยากได้ <Yeah. S 2> ถ้าเราอยู่แป๊บเดียวสงบแป๊บเดียวแล้วก็เริ่มดึงใจออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เวลาออกมาจากสมาธิมันเจอความอยากก็จะหยุดมันไม่ได้ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นอยา่าอย่าเพิ่งใช้ปัญญาปัญญาเรารู้มากพอแล้วเรารู้แล้วว่าทุกเกิดจากอะไร เ, เกิดอยากความอยากต่างๆรู้เท่านี้ก็พอแล้ว <ừ. S 1> แล้วสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสิ่งที่เราอยากมันเป็นของเป็นทุกข์ทุกเพราะามันเป็นของไม่เที่ยงหรือทุกเพราะว่ามันเป็นของไม่สวยงามเช่นถ้าเราไปอยากอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนแล้วก็ต้องมอง ส่วนที่ไม่สวยงามของเขาให้เห็นพิจารณาอาการสาสิบสองพิจารณาซากศพก็ให้เห็นว่าร่างกายของเขานี่มันไม่สวยงามหรอกมันเพียงแต่มีการมามามาปรุงมาแต่งท่านเองเอาผ้าเอาผ้ามาห่มมาห่อแต่ถ้ามีตาปัญญามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็มีแต่ของขยะขยะงั้นมีกระเพาะลำไส้มีปอดมีไตมีตับมีเลือดมีน้ำหนองมีอะไรต่างเต็มไปหมด ถ้าถ้าอยากจะตัดความอยากมีแฟนขึ้นมาก็ต้องพิจารณาอาการสาสบสองพิจารณาซากศ ส, สิบประการอันนี้ต้องทำตอนที่ออกจากสมาธิมาตอนที่อยู่ในสมาธินี่ไม่ให้ทำอะไรให้นิ่งเฉยเฉยให้นิ่งไปนานๆพอจากสมาธิมาแล้วมาทำการบ้านพิจารณาอาการสาสิบสองได้พิจารการเกิดแก่เจ็บตายได้พิจารณาดินน้ำลมไฟได้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา พิจารณาเพื่อสอนให้ใจเราปล่อยวางไม่ให้มีความอยากยึดติดกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรามีกํำลังของสมาธิมากๆพอใจไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็หยุดมันได้พอใจอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขเราก็หยุดมันได้ อันนี้ใช้ปัญญาตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อทำให้ใจนิ่งอย่างถาวรเพราะตัวที่ทำให้ใจไม่นิ่งเวลาออกจากสมาธิก็คือความอยากนี่พะเกิดความอยากใจก็ดิ้นใจก็จะทุกข์ขึ้นถ้าอยากจะให้ใจไม่ดิ้นไม่ทุกข์จะให้ใจนิ่งสงบเฉยต่อไปได้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้หยุดความอยากต่างๆได้ถ้าปัญญารู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากและสิ่งที่ใจอยากได้ก็เป็นทุกข์ แล้วถ้ามีอุเบขาท่านใจมีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดได้ก็หยุดได้ทันทีเลยหยุดความอยากได้ทันทีพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขก็จะกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีการของการที่เราจะายุติปัญหาต่างๆที่เกิดจากความอยากเราต้องหยุดความอยากให้ได้ เบืบ้องต้นด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าแล้วก็เพิ่มรักษาศีลแปดแล้วก็ไปอยู่วัดหรือปฏิบัติทำที่ไหนก็ได้ที่สงบที่บ้านเราก็ได้ฝึกส ต, ตินั่งสมาธิบ่อยๆฝึกให้มากเพให้จิตเข้าสู่สมาธิให้ได้เข้าสู่สมาธิได้แล้วก็พยายามให้มันอยู่นานๆให้มันชำนาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปทำมาไม่ต้องไปหาความสุขจาก ร, รูปเสียงกลิ่นรส แล้วพอจากสมาธิมาพอจดความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ใช้พิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ยมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็สุขเวลาไม่ได้หรือเวลาสูญเสียไปก็จะทุกข์พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็หยุดความอยากเพราะไม่อยากจะไปหาความทุกข์นั่นเองต่อไปความอยากที่มีในใจก็จะหายไปหมด พอความอยากหายไปหมดการจะกลับมาเกิดต่อไปก็ไม่มีการมีม่ายตายเกิดก็เส้นสุดลงความทุกข์ต e ่างๆก็จะไม่มีความทุกข์ในใจก็จะไม่มีเพราะไม่มีความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และการกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่มีต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอันนี้แหละคือเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทําหน้าที่ของชาวพุทธเรา ศึกษาเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมาหยุดความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ย เ, เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากนั้นแล้วเราจะไปสอนใครก็สามารถทำได้ถ้าเราอยากจะสอนแต่ครับมันก็ส่วนใหญ่คนที่รรุแล้วมักจะไม่อยากจะสอน เพราะเขากำจ่ายความอยากต่างๆหมดไปอยากใจแม้แต่ความอยากจะสอนคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ไม่อยากจะสอนใครแต่หลังจากพิจารณาด้วยปัญญาด้วยความเมตตาก็สอนด้วยความเมตตาไม่ได้สอนด้วยความอยากเห็นว่าคนคนที่ยังติดติดทุกข์ติดตารางในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ยังมีอยู่มากแล้วก็มีคนบางพวกที่สามารถจะรับประโยชน์จากคําสอนได้ท่านก็เลือกไปสอนคนที่รับประโยชน์ได้ก่อน ส่วนคนที่สอนไม่ได้ท่านก็จะไม่ไปเสียเวลาสอนเขาให้เสียเวลาเปล่าๆแต่เรื่องจะอยากสอนนี้ไม่มีในใจของพอระพุทธเจ้าไม่มีในใจของพระอาจารย์ตัดเ่าอย่าง น, นช่นเลยแม้แต่นิดเดียวที่สอนเขาเพราะว่าสอนด้วยปัญญาสอนด้วยเหตุเห็นว่าคือสงสารความสงสารเห็นเขายังตกทุกข์ได้ยากอยู่ถ้าไปสอนเขาเราจะช่วยเขาให้เขาหายทุกข์ได้อันนี้ไม่ได้เป็นความอยากมันเป็นความเมตตาความกรุณา คนที่มาลุกทำนะจะไม่มีความอยากจะสอนใครแต่สอนสอนต่อเมื่อเขาอยากจะมาศึกษาจากเราถทำมาขอความช่วยเหลือ ว, วิธีดับทุกข์ทำอย่างไร <c oughs> ก็จะสอนให้ไปตามตามความรู้ความสามารถอัน <c oughs> นี้คือขั้นตอนของของการเป็นการทําหน้าที่ของชาวพุทธเรา <c oughs> เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและกับพุธต่อไปขั้นต้นก็ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราก่อน ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมพอเราได้รับประโยชน์จากการศึกษาปฏิบัติบรรลุธรมนะรมแล้วก็ไปทําประโยชน์ให้กับผู้ด้วยการเผยแพร่สั่งสอนธรรมะศาสนาก็จะอยู่ยนี้ไปได้เป็นเวลายาวนานเพราะจะมีคนสอนแล้วจะมีคนเรียนถ้าไม่มีคนบรรลุก็จะไม่มีคนสอนคนที่สอนก็เป็นคนสอนแบบตาบอดสอนแบบผิดๆถูกๆคนมาเรียนก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ความศรัทธานในศาสนาก็จะค่อยๆเสื่อมไปหมดไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีศาสนาน้องเหลืออยู่ในโลกนี้ต่อไปนี่คือเรื่องของการทาหน้าที่ของชาวพุทธที่นำเามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวาหาปุราปริปุเรนตตสะคะลัง เอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันทูปนาละโสยธามณิโชติอระสสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสตุ มาเตปวัตวันตาลายุสุขิติกายุโภพวะอภิวะธนสิลิสานิจางุธาปจายโนจตาโรธรมมะวะัฏานติอายุวันโอสุขังฮาลางังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถาม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 วิทยออนไลน์13คลับเฮาส์3นากุด184รวมทั้งหมด968ท่านค่ะเชิญถามได้เลยถ้ามีคำถามคำถามคถามจะพูดรับฟังนากุดค่ะที่อาจารย์ May I ask when we die are we reborn straight away? It depends on what kind of karma you have committed. If you committed more bad karma than good karma, then you will have to go to to become a hungry ghost or go to hell or be born as an animal first. But if you do more good karma than bad karma, then you will go to heaven first. When the good and bad karma cancel it itself. Then you will come back and reborn as a human. q u t i o n Also, also for arahant, when the physical body passes away, are the remaining khandha left apart from the r u p a k h a n d h a Thank you, Ajahn. There are still the four nama khandas, vedana, s a n y a sankara, vinnana, because it's part of the mind. คำถามจากผู้รับฟังนะกุฏค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายวสีห้าความชำนานในการเข้าออกฌานค่ะคือว่ากะสินใช่วสีค่ะวะสีแปลวสีอ่ะ ปลว่าววสีาผ้าเมื่อกี้ผู้ภาษาไทยไม่ได้ถามภ <c oughs> าษาเมืองหนาเมืองฟังไม่รู้เรื่องก็ลองกดในกูเกิลเหมือนกับความชานาญในการเข้าออกฌานความชานาญในการตรวจทานฌานอะไรความทํานานในการ <c oughs> ต้องมีสติเ ท, ท่งนั้นค่ะเพื่อจะเข้าฌานได้เมื่อเข้าฌานได้ก็จะรู้ว่าเข้าไปลึกหรือไม่ลึกขนาดไหนระดับไหน ก็อยู่ที่กำลังของสติถ้าฝึกสติได้มากมีกำลังมากก็จะเข้าฌานลึกๆได้ก็ถึงเอารูปฌานได้แต่ถ้าสติมีกำลังน้อยก็อาจจะเข้าสู่ขั้นรูปฌานเท่านั้นเองค่ะ อ, อีกคำถามหนึ่งค่ะจากท่านเดิมช่วยอธิบายมารห่าวว่ามีอะไรบ้างคะไม่รู้หรอกเรา ก, ก็ไม่ได้เรียน คำถามจากผู้รับฟังนา้าขุดค่ะกราบนมสัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคาราวาสามารถเข้าสู่นิพพานได้หรือไม่เจ้าคะต้องทําอย่างไรเจ้าคะใครที่ปฏิบัติทําได้ก็เข้ า, เ ข, าเข้าสู่มรรคผลนผิพพานได้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครบถ้วนองประกอบคือศีลสมาธิปัญญามีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่อยู่ในระดับฌานสีได้มีปัญญาที่เห็นอริยสัจเห็นใจรักษได้ตลอดเวลา ก็สามารถเข้านิพพานได้อีกคําถามหนึ่งค่ะคุณแม่ชอบมีความรู้สึกกลัวพอถามว่ากลัวอะไรก็ตอบไม่รู้บอกไม่ถูกรู่งจะต้องทําอย่างไรแล้วทําไมคุณแม่มีความรู้สึกกลัวกังวลเจ้าคะเราก็ไม่รู้เป็นการต้องถามคุณแม่ดูถ้าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เวลากลัว ก, ก็รู้จักวิธีแก้ทคือให้เราถึงว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสวดบทอิติปิโสไปหรือทั้งบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้จนกว่าความกลัวจะหายไปพอจิตสงบนิ่งแล้วความกลัวก็หายไปความกลัวเกิดจากความคิดตรงแต่งต่างๆคิดว่าจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทําลายเราทําล า, ายเราก็เลยเกิดความกลัวเพราะยังมีอัตาาตาตัวตนอยู่ถ้าเรารู้ว่าไม่มีอัตตาตัวตนสิ่งที่มันทําลายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเช่นร่างกายจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็จะไม่มีความกลัวกต่อไป คำถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะกระดนมัสการหลวงพ่อดวงวิญญาณจะเข้าไปเกาะร่างกายของเด็กในคานตอนอายุคันเท่าไหรค่คะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิดว่าต้องพร้อมมันทั้งสาส่วนต้องมีเด็กเด็กว่ามปรากฏตัวขึ้นมาถึงจะไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายของเด็กได้อาจจะเกาะตอนไหนไม่รู้น่าจะเกาะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะถ้ามันไม่เริ่มต้นมันก็จะไม่มีปฏิสนธิ ไม่ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ค่ะอีกอีกคำถามหนึ่งค่ะทำไมคนรวยๆพยายามตั้งครรภแต่ยังแต่ทำไมถึงมีไม่ได้ไม่เหมือนคนจนๆคะข้อนึงก็โง่ไงไม่รู้ว่าการมีลูกเป็นทุกข์คนฉลาดเขาไม่มีลูกกันหรอค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะคนเคย คนรู้จักเคยทำงานในตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วแต่ยังคงยึดติดกับตำแหน่งหน้า ท, ที่ที่เขาเคยเป็นอยู่ ทุกวันนี้เขานั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันแต่เหมือนยังมีบางครั้งที่ยังยึดติดกับตำแหน่งลาบยศในอดีตและยังเจ็บปวดอยู่อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรแนะนำธรรมะข้อไหนให้จิตใจเขาเข้มแข็งขึ้นกว่านี้เจ้าคาาะก็อ น, นิจังทุกข์ข้าวนาตานลาบยศสารเสริญสุขเป็นอ น, นิจังเป็นของไม่เที่ยงเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้มันเป็นอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเรามันมาแล้วก็ไปเป็นสมบัติชั่วคราวค่ะคำถามจากคำถามจากทางยูถูบพระอาจารย์สุชาติค่ะในการเดินจงกรมนั้นจิตควรจดจ่ออยู่ที่คำพุทโธพุทโธอย่างเดียวหรือจดจ่ออยู่ที่เท้าที่ก้าวซ้ายขวาไปสัมผัสกับพื้นเจ้าคะก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เราจะใช้พูดโธรพูดโทไปอย่างเดียวก็ได้แต่เราก็ต้องมองทางที่เราเดินด้วยไม่ใช่เดินแบบตาบอดเดินไปเดี๋ยวเดินไ ป, นไปชนอะไรเข้าต้องรู้ว่าทางที่เราเดินนี้ปลอดภัยหรือไม่มีสัตว์เลื้อยคานอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันใจเราก็พูดโธพูดโธไปพร้อมๆกันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านั้นเองคําถามจากคุณอุไรอุไรค่ะ อยากทราบว่าเรานั่งอยู่เฉยๆหน่วยไม่ได้คิดอะไรอยู่อยู่ๆเราก็เห็นตัวเองมีแต่กระดูกทีแรกรู้สึกตกใจแต่ต่อมาก็ตั้งสติได้ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปคะก็พยายามดูให้มันนานๆดูให้มันฝังอยู่ในใจต่อไปเวลาเราเห็นร่างกายเราในกระจกก็จะเห็นโครงกระดูกของเราด้วยโดยเห็นร่างกายของใครก็ตามเราก็จะเห็นโครงกระดูกของเขาด้วย ถ้าเราเห็นเขาเป็นโครงกระดูกเราก็จะไม่หลงรักเขาอีกต่อไป <c oughs> คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราเลิกดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังจะสามารถดื่มเบียร์ละไวท์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้ไหมเจ้าคะถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่เป็นไรก็ดื่มได้มันที่ตัวปัญตัวปัญหาก็คือตัวแอลกอฮอล์ตัวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมา ถ้าดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มึนเมาก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่อย่างไดคำถามจากทาง Facebook ค่ะวิธีการยินฝึกเพื่อยกเลิกอัตราตัวตนควรฝึกอย่างไรครับทำตัวเราให้เป็นคนรับใช้ยอมรับให้คนอื่นเขาใช้เราทํ่าทำตัวเป็นแจ๋วไ ป, ปันเป็นการลดอัดตราตัวตน เราจะให้ลึกไปก่า น, นั้นก็ให้คิดว่าเราเป็นร่างเราเป็นแผ่นดินพื้นปฐพีไม่มีตัวตนแผ่นดินนี้ใครจะไปเหยียบไปย่ำใครจะไปทำอะไรกับแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่โกรธไม่เสียใจแผ่นดินจะรู้สึกเฉยเฉยคำถามจากคุณชิตสนุพง์ค่ะผมเพิ่มเริ่มปฏิบัติผมอยากจะลองปิดวาจาดูสักหนึ่งเดือนครับผมควรบอกคนรอบข้างที่เขาจะเข้ามาคุยกับผมยังไงดีครับ เราไม่ควรปิดวาจารหรอกถ้าเรายังต้องอยู่กับคนอยู่เพียงแต่พูดให้น้อยพูดเท่าที่จําเป็นทั้นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าพูดบางคนปิดวาจาแต่แติดต่อกันด้วย ก, การเขียนเขียนเขียนตัวหนังสืออันนี้มันก็ผิดจุดประสงค์จุดประสงค์ของการปิดวาจาก็เพื่อให้หยุดคิดนะแต่ถ้าเรายังต้องเขียนหนังสือส่งข้อความให้กันอยู่มันก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่ น, นี้ก็อย่าไปปิดวาจาแบบนั้น ทางที่ดีไม่ไม่ควรปิดวาจาไม่จําเป็นจะต้องปิดวาจาปิดความคิดหยุดความคิดเท่านั้นเองเวลามีความจําเป็นจะต้องพูดกับใครก็พูดแต่พูดให้น้อยพูดเท่าที่จําเป็นคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะฝึกสมาธิขั้นอุปจารสมาธิสภาวะไหนถึงจะไปเห็นนรกสวรรค์ได้และจะสามารถไปช่วยบุคคลที่เรารักที่ตกนรกให้พ้นจากนรกได้ไหมครับ อุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษถ้าเราไม่ฝึกมาก่อนในอดีตชาติเราจะไม่สามารถเข้าไปได้ ค, คนส่วนใหญ่ที่ฝึกสมาธินี้จะไม่สามารถเข้าไปสู่อุปจารสมาธิได้ต้องเป็นคนที่ได้ฝึกมาก่อนในอดีตชาติแล้วเวลาเข้าไปในอุปจารสมาธิเราก็าจะสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณชนิดต่างๆได้ดวงวิญญาณบางชนิดเราก็ช่วยเขาได้ถ้าใช่เป็นพวกเทพ เราก็ถ้ามีธรรมะก็อสอนธรรมะให้กับเขาให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์พุทธมารดาเป็นดวงวิญญาณอยู่ในสวรรค์เป็นเทพพอพบ ป, ปะกันพระเจ้าก็แสดงธรรมโปรดพุทธมารดาจนหลุดบรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้แต่พวกที่อยู่ในนรกนี้ติดต่อเขาไม่ได้เพราะเขาเหมือนกับถูกไฟกําลังคลอกอยู่อยู่ในอยู่บ้านที่กำลัง ม, มีไฟไหม้อยู่ เขาจะไม่มีกระจิกกระใจที่จะมาฟังเทศฟังธรรมคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราถูกคาดหวังจากคนใกล้ชิดให้ทํานั่นทํานี่ให้แต่เราไม่สะดวกใจที่จะทําให้ขอเรียนถามวิธีทําใจด้วยครับก็ เ, เฉยๆไปเราทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้เราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเสียหายความเสียหายอยู่ที่คนอยากนั่นเองอยาให้ก็ทาอะไรให้พอเขาไม่ทาให้ก็เสียใจ ก็หัดเพิ่งตนเองสิอยากจะได้อะไรก็ทาเอง <Okay. S 1> จะได้ไม่ต้องมา mm hmm. ไปรบกวนคนอื่นเขาคำถามจาก y o youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการเจริญปัญญาสำคัญอย่างไรและต้องฝึกอย่างไรคะการเจริญปัญญาเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ mm hmm. อะไรเป็นเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่า ความอยากต่างๆนี้เป็นเหตุที่ทาให้ใจเราทุกเป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆเหล่ า, า, านี้ให้หมดไป mm hmm. ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิพอ mm hmm. มีศีลมีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากได้คำถามสักทางเฟซบ o o กค่ะขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องสมมุติและประมัตค่ะ อันนี้มันเราก็ไม่รู้จักภาษานะไม่อยากจะพูดพูดไม่ได้เราพูดไปอาจจะพูดผิดค้นหาดูใน g o o g l e ดูไปค่ะคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณากายควรเริ่มต้นอย่างไรคะก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นของของของชั่วข่าวเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นตุกตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาให้เรามาใช้เท่านั้นเองเราเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุน่นเราเป็นเหมือนคนที่ชักชักขยี้หุน่นให้สั่งให้หุน่นทําอะไรต่างๆใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็จะอยู่ด้วยกันชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปพอร่างกายตายไปใจก็เป็นดวงวิญญาณก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ อย่าไปยืดอย่าไปติดแล้วก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้มันอยู่กับเราพอถึงเวลามันจะจากมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องจากเราแล้วเราพร้อมที่จะให้มันจากเราเวลาจากกันมันก็จะไม่ทุกข์คำถามจากทางเ c e บ o ๊ k ค่ะ กลับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องสังคมการทำงานชอบมีคนเอารัดเอาเปรียบชอบใช้งานโยนงานให้เราทาั้งทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะควรจะทำอย่างไรดีคะพระอาจารย์ใช้อเบิคขาวางเฉยไม่ใช่เรื่องของเราใครทำกรรมมันได้ไวเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะผู้สูงอายุนอนสวดมนต์บาปไหมคะท่านปวดหลังมากค่ะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันจะหลับง่ายท่านเองสวดไปได้สงสามนาทีก็หลับได้ถ้าไม่อยากจะให้หลับก็ต้องอยู่ในท่าที่ที่ไม่สบายจนเกินไปแต่ถ้ามันไม่สบายทำไม่ได้ก็ต้องทำไปตามกำลังพระพุทเจ้าจึงสอนว่าอย่าประมาทอย่ามารอทำตอนที่แก่แล้วเพราะว่าโอกาสที่จะทาให้เกิดประโยชน์นั้นมันยาก ทำตอนที่เรายังเป็นมีกำลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้ยันสวดมนุ์ก็นั่งสวดมนุ์ได้เป็นชั่วโมงเลยได้สติยาวนานแต่ถ้าไปนอนสวดนได้สวดได้สัก4ีห้านาทีก็อาจจะหลับไปก็ได้ คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งปีครึ่งสัญญาเรื่องหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันโผล่มาพร้อมกับเวทนารวมด้วยถามพระอาจารย์ยว่าสัญญาและเวทนานี้เหมือนกับโลกทางกายใช่ไหมคะเพราะมันมาก็มามันจะไปก็ไปนี่คืออนัตตาชัดๆใช่ไหมคะใช่เป็นนัตาเป็นนามี่จางไม่เที่ยงเกิดเกิเกเกดดำดำ เราเป็ควบคุมบังคับไม่ได้เราเพียงแต่ปล่อยวางได้อยู่ปล่อยมันมาปล่อยมันไปอย่าไปอยากอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออย่าไปอยากให้มันไปถ้าอยากจะให้มันไม่มารบกวนเราเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ท่งพุโทโธพุโทโธให้ใจมีสติพอใจนิ่งอาการบางแต่ความจําต่างๆก็จะหายไปได้หมดแล้วเหรอคะยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะอยากจะถามอะไรไหม